ช้างช่วยท่านพลีเรื่องที่เหลือเชื่อ พระมาลัยสามารถท่องแดนนรกสวรรค์ได้ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสามารถเทศนาสั่ง 11 นี่คือๆนรกสวรรค์ ได้ช้างมาช่วยชีวิตไว้ ล็อกกันเรื่องพระวินัยทรงสั่งสอนเท่า ปานนั้นพระยาช้างปาลิลยกะ เมื่อพระเดินตามหลังไปจนถึงแดนบ้านเข้าไปพระยาช้างรอจนกว่าพระศาสดาเสด็จกลับพระ กลับเข้าพระยาช้างได้นั่งถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ลคิตวันตามเดิมเมื่อถวายพระ บนในราตรีเพื่อรักษาความปลอดภัยจากเนื้อร้ายหรือจากอันตรายอื่นใดช้างได้ถือท่อน กระโดดร้องโก้โก้ไปมาตามกิ่ง เมื่อจึงดีใจเลยเถิดพระศาสดาสวยแล้วจึงดีใจ 30 1,000 รัน 500 รูปมาช้างไม่ยอมให้กลับนิมนต์ให้เราไปครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกศาสดาเสด็จกลับช้าง พระยาช้างเมื่อได้ฟังเช่นนั้น หัวใจมันจึงแตกสลายใจมัน 30 โยชน์มี 1,000 เป็นบริวารเรื่อง กุสลทโรพระจังหวัดอุดรธานีเจ้าแห่งวัดป่าภูผา ได้ทุโดงทางอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ที่ประจนมาจากที่ต่างๆให้ฟังไปเรื่อยๆมาจากที่ต่างๆให้ฟังไปเรื่อยๆจนท่าน ไม่ๆรักษา ธรรมชาตินี้ส่วนมนุษย์นิสิดีแต่ใจเหมือนเปรดเหมือนผีล้นไม่มี นักท่านเดินชมถ้ำๆเดิน ทางเสือทางสัตว์ร้ายทางแห่งอันตรายทางสรรร้ายทางแห่งอันตรายสภัพ ทำให้สัจจบุตรทวิบาทประมาทระวังตน แม้เสียงเมื่อท่านย่างผ่านไปป่าจะสะเทือนก้องใน หนึ่งวันสองวันสามวันผ่านไปมีแต่เดินบุกลุยปีนผาหินผาหินข้าวไม่ได้กินซอกถ้ํา ป่านี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสียจริง ย่อมดีกว่าเดินทางผิดดีกว่าเดินทางผิดหรือมี มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระเหมือนทางป่าที่รกรงรังเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ต้นย่อมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ยิ่งยิ่ง ท่ามและมองไม่เห็นสรรพสิ่งที่มองเห็นและ ทางที่ท่านกลางกรดนอนพักนั้นที่ท่านนอนสบายจนถึงรุ่งเช้าอีกวันกลางกลดสูงสูงต่ำต่ำงามวิจิตด้วยแสงแรกแห่งตะวัน สัตว์สองเป็นเป็นสัญญาณบอกว่าที่วาการเริ่มแล้วช่องแม่ ต่อท่านเคลื่อนร่างกายออกจากกรดมายืนพิจารณาดูบริเวณโดยรอบกรดก็ถูกย้ายที่ที่นอนก็ถูกย้ายที่แล้วใครมาย้ายที่นอนให้เราคำแล้วเราพักอยู่ตรงนั้น มันท่านถามตัวเองผีมนุษย์อสุรกายนาคาครุฑเทวดาหรืออาจสามารถทำเช่นนี้ได้หรือว่าเราเป็นคนบ้าเป็นคนหลงสติไปเสียแล้วนี่ไหน จุดอย่างนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยทิศทางที่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสมาธิดูภาพย้อนหลัง ฟังดูมาถึงตอนนี้ในหนังละครทีวีรีเพลย์ <โ อ! S 1> เป็นอย่างพระพุทธเจ้าบ่ใดท่าน ทางชาทำให้เราหมอบทั้งกายใจและแววตาอาหารทําให้เราหมอบทั้ง จัดงานเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วจะๆ จะประเสริฐเพิ่มขึ้นอีกเพียงไรประเสริฐเพิ่มขึ้นอีกเพียงไร อันใดนั่นเยื้องย่างผ่านเข้ามามีสัตว์ใหญ่เงาสีนั่นท่าน เมื่อมาเห็นร่างท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ในกรดผ้าบางๆมาเห็นร่างท่านที่นอน มันมิแต่ทางนั้นเป็นทางช้างผ่านบังอาจรบกวนหรือให้ มันจึงปฏิบัติต่อท่านค่อยๆๆ แล้วจึงย้ายรถมาห้อยดึงผ้า ช้างใหญ่เมื่อตัวใดเข้ามาใกล้จะรบกวนได้ยืนมันเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วตัวขวางๆ ผู้เขียนกราบเรียนเพราะเขาไม่เชื่อปู่หลี เล่าต่อว่าช้างตัวนั้นมันก็มีทําเหมือนกันนะมันมาช่วยชีวิตนั้นมันก็ แล้วเล่าต่ออีกเล่ามนุษย์หรือสัตว์ก็มีจิตอันเดียวอีกบางทีเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยบวดเคยเป็นเพื่อนจิตอันเดียวกันนี้แหละให้ ทําให้ชาตินี้เขาเกิดมาเป็นช้างชาตินี้เขาเกิดมาเป็นให้รักษามนุษย์สมบัติเอาไว้แต่ให้ จะให้สังเกตง่ายๆนะไปเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายใครสเกล ฟ้าจะร้องอันเป็นฤดูปลายฝน 3 พระโลทางพระพุทธศาสนาโลกนี้โลกหน้าบุญธรรมเห็นประจักษ์ในแง่มุมๆๆ เกลือกายตาย